เราก็มายังสถานที่ที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาอันนี้มันเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากที่ตัสรุแล้ววันเพ็ญเดือนสามต่อมาก็จะทรงแสดงโอวาทะปาติโมกโอวาทก็คือคำสอนปาติโมกข์ก็หมายถึงว่าคำสอนที่เป็นหลัก ตั้งแต่พื้นฐาน <c oughs> จนกระทั่งวิมุติหลุดพ้นมันเป็นธรรมะซึ่งเป็นบรรทัดฐานของสาวกของพระองค์ผู้ที่จะเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ก็ต้องมีหลักธรรมอันนี้เป็นเครื่องวัดด้วยถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นน่ยมันมาสอดคล้องกับโอวาทปาฏิโมกข์นี้ ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมของเรานั้นถูกต้องใช้ได้เราคงจําได้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ปัสสรูแล้วก็เดินทางมาที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายาวันแล้วก็ทรงจําพรรษาที่นั่นโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5บรรลุเป็นพลหรหันแล้วก็พักจำพรรษาอยู่ที่นั่นก็ได้สาวกเพิ่มพูนขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันเพ็ญเดือนสาม ผู้เจ้าก็เสด็จมาที่เขาคิ้ชกูดเนี่ยจากนั้นก็วันเพ็ญเดือนสามก็มาที่นี่สาวกของพระพุทธเจ้าสมัยนั้นมี 1,250 รยูปยุคสมัยนั้นเป็นสาวกที่มีคุณสมบัติพิเศษหมดมีอภินยาสมบริบูรณ์สมบูรณ์พอถึงวันนี้ปับ๊บทุกคนจะรู้ขึ้นมาด้วยจิตว่าถึงเวลาที่จะต้องไปพร้อมกันที่ตรงนี้แล้วว่าพระพุทธองค์ ทรงต้องการให้มาฟังอวาทปฏิโมกข์แล้วทุกองก็มาเองเลยไม่ต้องใช้โทรศัพท์เหมือนสมัยนี้คือจิตจิตที่มันดีงามในยุคสมัยที่จิตมันดีคุณสมบัติของจิตเนี่ยมันจะดีมากๆแต่ถ้ายุคสมัยไหนซึ่งมันเป็นยุคที่กิเลสมันมากทางจิตวิญญาณมันเสื่อมมากสิ่งดีๆในธรรมชาติก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงไป ภายในจิตใจก็จะมีความทุกข์มีความบีบคั้นมีความทรมานมากขึ้นพระทั้งหมด 1,250 รลูกก็พากันเดินทางมาที่นี่มันจึงมีประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนาของเราว่าวันเพ็ญเดือนสเป็นวันเพ็ญเดือนสและก็มีภิกษุทั้งหมดบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาหมายก็ว่าแค่พระพุทธเจ้าตัดว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถอ ทำวินัยเราเกล่าวไว้ดีแล้วสําหรับคนที่บรรลุเป็นพระหันถ้าคนไหนยังไม่บรรลุก็ทําวินัยเราเกล่าวไว้ดีแล้วเธอจงทําที่สุกแห่งทุกข์ให้สิ้นเธอก็ให้ไปปฏิบัติเสียเพื่อออกจากทุกข์แล้วคนนั้นก็จะบริบูรณ์สมบูรณ์เป็นพระขึ้นมาทันทีเลยมีอานุภาพของพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงถ้าสมัยนี้มองดูเหมือนกับจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่โดยอานุภาพของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลย แล้วก็เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พอตัดสรู้แล้ว9เดือนต่อมาก็จะต้องแสดงโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกก็จะเหมือนกันเป็นคําสอนที่เป็นพื้นฐานเป็นบรรทัดฐานของพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อพระมาพร้อมกันแล้วมากันโดยไม่ได้นัดหมายรู้ขึ้นมาด้วยจิตแล้วทุกองกบริบูรณ์สมบูรณ์แ้วยปัญญาด้วยปฏิสัมพิทาแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงโอวาทปาติโมก ต, ต่อมาพระพุทธเจ้าทุกกึ่งเดือนพระองค์ก็ยังทรงแสดงพาสตบท น, นี้โอวาทปาติโมบท น, นี้จกนกระทั่งพันศาที่20ประมาณนี้ก็มีสาวกของพระองค์บางองค์ในสมัยพระพุทธเจ้าบางองค์ศีลไม่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่ามีภิกษุทุศีลอยู่ในกลุ่มของสาวกของหลางที่จะฟังโอวาทปาติโมพระองค์เศร้าสลด คือสลดสังเวชอ่ะว่าโอ้หนอเราขนาดเรายังมีชีวิตอยู่เลยสาวกของเรานี่ยังไม่มีความละอายได้ขนาดนี้ ท, ทั้งทั้งที่ศีลไม่บริสุทธิ์เป็นคนทุศีนก็ยังแอบแฝงเข้ามาในกลุ่มของผู้ที่บริสุทธิ์จะเข้ามาฟังโอวาทปาติโมพระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลงมาคนเขาก็ไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้เสด็จมาพระเจ้าก็บอกว่ามีภิกษุทุศีนอยู่ พระโมคคลลนะที่ท่านมีอภิญญาท่านก็ตรวจดูก็เห็นภิกษุทุศีลสั่งให้ออกไปไม่ยอมออกไปเลยนะพระโมคคลลนะต้องเอามือเอาแขนนี่หนีบหนีภิกษุทุศีนนั้นออกไปนี่คือความไม่ละอายมันมีคนเวลามันทําชั่วทําไม่ดีทําผิดเนี่ยมันไม่มีความละอายจากนั้นมาพระเจ้าก็บอกว่าต่อไปนี้ให้พวกเธอเอาศิขาบท ที่เราประทานเอาไว้ให้เอามาสาธยายสู่กันตัอมาเช็คดูว่าใครบริสุทธิ์ใครไม่บริสุทธิ์ใครปฏิบัติถูกต้องไม่ถูกต้องจึงมีการสวดพระปาติโมกมาจนถึงปัจจุบันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่โอวาทปาติโมกของพระพุทธเจ้ามันเป็นสวดศิกขาบท227ขอ้อซึ่งพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ให้สาวกของพระองค์ปฏิบัติตามโอวาทปาติโมกนั้นมีใจความสําคัญ เมื่อพระอรหันต์มาพบกันพระพุทธเจ้าก็คงจะปฏิสันถฐานปฏิสันถฐานเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าขันติปรมังตะโปตีติฆาขันติความอดกั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งอันนี้เป็นเรื่องของภายในจิตใจของแต่ละคนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนให้ไปแก้ไขคนอื่นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องสอนลงตรงจิตของแต่ละคนเข้ามาแก้ไขตัวเองทันทีเลย ขันติปรมังตโปติติฆะนิบานังปรามังวัติบุตนานาหิปภะชิโตป ร, รูปคาติสมนโนโหติปา ร, รังบีให้ทะยันโตนิวักแรกคาถาแรกขันติความอดกั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งอดกั้นนี่อย่างเรามานี่ทนหนาวทนหนาวทนเย็นทนเหนื่อยยากทนลําบากนี่ก็เป็นขันติชนิดหนึ่งแต่เป็นขันติที่อดทนต่อความร้อนความหนาวความหิว ความการหายแต่ความอดทนที่มันลึกซึ้งเข้าไปอ่ะความอดทนเวลามันกระทบอารมณ์ะจิตของเรามันขยับมันจะพูดแล้วมันจะกระทําแล้วเราทันตรงนั้นไหมต้องมีสติด้วยขันติที่ว่านี้เป็นขันติที่ต้องมีสติสติรวดเร็วมีสติมีสัมปชัญญะจึงสามารถยับยั้งจิตของเราได้ไม่ให้มันแสดงออกไปทางกายทางวาจาอย่างน้อยก็ให้มันอยู่แค่ในจิตใจก็ยังดี ถ้าใครปฏิบัติทมแล้วได้ผลก็ต้องควบคุมตรงนี้ได้ดีจิตมันทําท่าขยาับปั๊บรู้ทานปับ๊บมันจะออกทางวาจาแล้วคุมทันปับ๊บมันจะค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงตอนนั้นมันก็ต้องทุกข์ต้องเจ็บปวดทรมานเพราะมันอยากออกมันอยากไปด่าเขาไปว่าเขาไปตําหนิติเตียนเขาไปกระแทกแดกดันเขาไปสาบไปแช่งเขาเพราะอํานาจของโทรศั ไอ้ไม่ใช่เรานะตัวโทสะไอ้ตัวโทสะเนี่ยมันรุนแรงมากเลยเพราะเราเคยสะสมมันมันยาวนานมากพอกระทบอารมณ์ปับ๊บถ้ามันมีโทสะโทสะจะผักดันให้พูดไลๆพูดไม่ดีจะทำไม่ดีเป็นฝ่ายโทสะหมดแต่เราก็ไม่ทันโทสะเราก็คิดว่าอารมณ์ลลหลๆเป็นเราถ้าเราไม่แสดงออกไม่ทาตามเราก็สู้มันไม่ได้ มันเหมือนจะลำทําให้เราเป็นทุกข์มากถ้าได้แสดงออกมันเหมือนกับว่าเราจะรู้สึกสบายปัญหาก็จะหมดไปแต่ยิ่งแสดงออกเรื่องราวยิ่งลุกลามบานปลายมีพระพุทธเจ้าจึงย้ําประโยคแรกเลยเวลามาพบกันสําหรับพระละหันด้วยกันเลยนะขันติความอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งก็หมายความว่าสาวกก็ต้องมีความอดกลั้นมีขันติมีความอดทนรู้จัก มีสติระงับยับยั้งจิตของตัวเองไอจิตเนี่ยปฏิยางมันรวดเร็วมากเวลามันจะพูดเนี่ยมันจะกัดกรองแล้วก็พูดในจิตก่อนจากนั้งถึ่งจะมาพูดอีกทีหนึ่งเรียกว่าว่าจีสังขารมันปรุงเป็นสังขารสังขารนี่มันปรุงแต่งคําพูดถ้าใครสตีดีถึงจะทันนะถ้าสติไม่ดีไม่ทันอนะ่ะตรงเนี้ยนี่ก็เป็นเครื่องวัดใช่นี่หนึ่งว่าสตีเราเร็วไหมเราสามารถควบคุมจิตเราได้ทันไหมถ้าหากว่ามันอยู่ในจิต เราดูมันเดียวมันจะดับไปนี่เราจะได้ธรรมะขึ้นมาว่ า, วาอ๋อมันจะเลวร้ายขนาดไหนมันก็แค่เกิดดับมันจะรุนแรงขนาดไหนมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะสติเราดีเราแค่ดูเฉยๆเลยนะไม่ได้ทำอะไรมันแบบแค่ตั้งหลักดีๆนะเพราะนั้นคนที่จะตั้งหลักได้เนี่ยจิตมันต้องมีกำลังนั่นคือต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเพียรมีความอดทน พูด ป, ปฏิบัติตามคณสอนของพระพุทธเจ้ามันจริงสอดส่องเข้าไปเห็นจิตของตัวเองปฏิกิริยาภายในจิตของตัวเองจิตมันแสดงอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ทนความร้อนความหนาวความเย็นความหิวความกระหายเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องข้างนอกอยู่มันก็ยังไม่รุนแรงอะไรแต่ความรุนแรงเนี่ยก็คือเวลากระทบอารมณ์นียแหละถ้าหาว่ามันอยู่ในจิตเรื่องราวมันไม่บานปลายมันไม่มาก แล้วก็ได้เห็นมันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเห็นพวกความชั่วร้ายเนี่ยมันซ่อนอยู่ในจิตของเรามหาโจรมันซ่อนอยู่ในจิตของเราอันธพาลความเลวร้าพวกนี้อยู่ในจิตของเราแต่มันหลอกเรามานานแล้วว่ามันเป็นเรามันอยากแสดงออกมากเลยอ่ะถ้าได้แสดงออกแล้วมันก็จะแหมรู้สึกว่าฉันจะสบายอะไรทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันหลอกทั้งนั้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นเยอะนะขณะเราก็ผู้หญิงมาเยอะเสีด้วย วันนี้พูดแอาใจผู้หญิงพูดความจริงกันเลยเพราะนั้นผู้หญิงก็บรรลุทำได้ถ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระสัจจาสติควบคุมมันไว้ไม่ให้อาหารมันถ้าเป็นเสือก็เหมือนมันขังมันไว้อะอาการเหล่านี้ขังมันไว้อะขังมันไว้แล้วเราเห็นหน้าตามันทีนี่หรือมันเป็นมหาโจรมนโผล่หน้าออกมาแล้วมันแสดงอาการออกมาแล้วเราจะเห็นหมดเลยนะกิริยาการของมันเดียวว่าเห็นลวดลายของมัน่ะมันแสดงลวดลายออกมาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ อาการตรงนั้นตรงนี้คำพูดตรงนั้นนี่นี่มันก็จะปรุงแต่งขึ้นอันนี้มันสะสมมายาวนานมากเลยนะที่เราเยนว่ายตายเกิดอยู่นี่มันก็มีอย่างเงี้ยพอกระทบอารมณ์ไม่ถูกใจปั๊บในสมัยที่เราเกิดมาแล้วไม่พบพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ฝึกฝนอบรมหรือเป็นยุคสมัยที่ว่างเว้นจากพระพุทธศาสนาให้อย่างเงี้ยเราก็สะสมไม่สิ่งเหล่านี้ล่ะสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นอกุศล ไฟไม่ดีไม่งามเนี่ยแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้ในจิตแล้วเราก็หลงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่อย่างนั้นมันก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดชั่วขณะชั่วขณะกระทบอารมณ์เฉยๆเหมือนเรามองไปปับ๊บมีคนใดคนหนึ่งเขาทําอะไรสักอย่างเราคิดว่าควรจะทําอย่างหนึ่งแต่เขาทําอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแค่นี้มันก็ตึ๊บเข้าไปที่จิตเราจิตของเราก็ เกิดอาการสั่นสะเทือนขึ้นมาแนะมันก็มีปฏิกิริยาในจิตของเราถ้าเราทันเราจะดูเฉยๆพวกนี้จะดับไปดับไปดับไปพออาการเหล่านี้ดับไปเราจะรู้สึกสบายทันทีเลยรู้สึกเลยว่าอ๋อไม่ได้มีอะไรเลยมันเกิดแล้วก็ดับเนี่ยทุกเกิดแล้วก็ดับสุขก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเพราะนั้นขอให้รู้สึกว่าเราได้ดูสิ่งเหล่านี้ปรากฏการเหล่านี้ว่ามันแค่เกิดแล้วก็ดับ มันยังไม่ดับก็ไม่เป็นไรนะดูไปก่อนได้ไม่เป็นไรเพราะเราดูแล้วนี่มันเหมือนเราเป็นผู้ดูอยู่เราสังเกตอยู่มีแสดงว่าจิตเราเนี่ยมันไม่ได้ไปร่วมแสดงนะเราไม่ต้องไปอยากให้มันดับหรอกเราดูเฉยเลยเนี่ยถ้าอยากให้มันดับอีกมันก็เป็นตันหาขึ้นมาแล้วนะนทีนี้อดับทํำยัำยงไงมันถึงจะดับหรือมันก็ไปวุ่นวายกับไอ้สิ่งนั้นลนะผู้เจ้าสอนให้ดูเฉยเพราะฉะนั้นหลักของเราจะต้องแน่นปุ๊บเข้ามารักษาจิตเลยแล้วก็ตั้งหลักเอาไว้ ดูเฉยๆอย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี่อิทธิพลต่อจิตเรานี่แหละเรียกว่าจิตตั้งมัน่นถ้าเรามัวแต่ออยากให้มันดับไม่อยากให้มันเกิดกลัวเราจะไปติดกลัวเราจะไปยึดนี่มันมันสร้างอะไรขึ้นมาอีกสอนซอนซ้อนอยู่ในจิตของเรานี่เรามันสร้างกรรมคืออย่างนี้เพราะแสดงว่าเรามีตัณหานําละเรามีความอยากปฏิบัติธรรมนี้เพื่อดับตัณหาเพื่อลดตัณหาแต่ว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ย ไอ้ตัณหามันเกิดโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเนี่ยความละเอียดอ่อนของการปฏิบัติมันก็เลยมีมีอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกไปนี่แหละถ้าใครมีใจที่มันมุ่งมั่นอยากอยากละอยากปล่อยอยากวางอยากให้สิ่งเหล่านี้มันดับไปจากจิตพออินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นมามันก็จะต้องรู้ต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ว่ามันจะต้องเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันมันไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นหลักสําคัญพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติแล้วก็เข้ามาสังเกต ด, ดูปรากฏการณ์ทั้งหลาย ที่มันจะเกิดขึ้นในจิตของเรานี่เองเพราะเรื่องเราทั้งหลายมันต้องเกิดที่จิตก่อนมันไปจากจิตไอ้ร่างกายมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมันก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนถ้าใครทําความเข้าใจดีๆเนี่ยมันจะวางเฉยเลยมีร่างกายก็มีไปแต่เราอย่าไปหลงทําตามอํานาจความปรารถนาทางทางเนื้อหนังอะทางร่างกายอะถ้ไปตามมันมากตัณหามันก็เพิ่มฟูนเขาเรียกกรรมมาตัณหากําลังมันก็มากเพราะฉนั้นวิธีที่จะต่อสู้กับพวกนี้ต้องอดทน ต้องอดกลั้นไม่ยอมทําตามมันถ้าเราไม่ทําตามมันนี่กำลังจิตเราจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่แรกเหมือนจะทรมานเหมือนไม่ได้ดังใจของเัาแล้วทุกครั้งมันจะหลอกเราว่าถ้าได้ดังใจมันจะรู้สึกสบายมันจะมีความสุขตัวตัณหามันหลอกมันหลอกเรามากี่ภพกี่ชาติแล้วอ่ะมันหลอกเรามากี่ครั้งกี่หนแล้วต่อไปนี้ลองไม่ตามมันดูบ้างลองเอาชนะมันดูบ้าง เริ่มเอามาตั้งแต่อาหารการกินอะไรต่ออะไรอย่างเนี้เอามาฝึกถ้าอย่างนี้ในชีวิตประจําวันเราก็สามารถฝึกจิตเราได้ฝึกความอดทนความอดกลั้นอันนี้ละมันเป็นตบะมันเป็นความเพียรความเพียรอย่างยิ่งด้วยเพียรเผากิเลสไม่ทําตามกิเลสไม่ทํำตามความอยากแม้กระทั่งกิเลสที่มันละเอียดเข้าไปอะไรก่อเกิดขึ้นมาแล้วเราอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็ต้องทันทันความอยากเหล่านั้น เพราะหลักการนี่ทําง่ายๆดูเฉยๆเลยดูเฉยๆเลย Reading. ถ้าปัญญาใคร Bereich ดีก็จะมองดูแล้วก็หลักมันดีตั้งหลักได้เหมือนเราเป็นผู้ดูถ้าหากว่าหลักไม่ดีเนี่ยเราจะดูเฉยๆไม่ได้เพราะว่าจิตเราไม่ตื่นจิตเราไม่รู้จิตเราไม่มีกําลังถ้าจิตใครตื่นรู้มีกําลังก็จะเหมือนกับว่ามันตั้งมั่นแล้วก็อะไรผ่านมาก็ผ่านไปเกินณกระดับไนถ้าเราเห็นอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นภาวะที่จิตเรามีกําลังเพราะนั้นธรรมะประโยคแรก ที่พระองค์ปฏิสันถานกับพระอรหันต์ทั้งหลายก็คือว่าขันตีปรมังตโปติปิฆาขันติเป็นตะบะอย่างยิ่งขันติความโกรธกั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งเพราะนั้นต้องอดทนทุกอย่างเพราะนั้นถ้าใครอดทนดีมันก็จะยับยั้งจิตเอาไว้ได้จิตก็จะนิ่งใช้บางทีมันด่าเข้าในใจก็ได้ด้วยแต่เราไม่พูดเราห้ามจิตเราไม่ได้แต่เราไม่พูดถ้าพูดรู้ตัวเมื่อไหร่ต้องหยุดมันต้องทันกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่กระทําตามมันด้วย นี่วิธีที่เอาชนะจิตของตัวเองชนะอำนาจฝ่ายต่ําในจิตของเราชนะกิเลสในจิตของเราประโยคที่2นิบบานังปาลมังวดดันติบุต ธ, ธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัด่านิพานเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมคือนิพานนี่แหละเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งสูงสุดนิพานก็คือว่าพอเราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายว่ามันเกิดแล้วก็ดับเป็นธรรมชาติการดูเฉยๆเห็นเฉยๆนี่มันจะนําพาไปสู่ ภาวาจิตใจที่มันเห็นความจริงมาโอ้เกิดระดับนะผ่านมาผ่านไปนะแต่มันต้องละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนะไม่ใช่วัน2วันแล้วได้เดือน2เดือนได้ปี2ปีได้คือทําจนกว่ามันจะเห็นเป็นธรรมดาได้จริงหมายว่าโอ้เกิดแล้วก็ดับถ้ามันเห็นในขณะเราปฏิบัติเวลาเราออกมาในชีวิตประจําวันเนี่ยเวลาเรื่องเราอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ธรรมเหล่านี้มันจะมาระงับยับยางจิตของเรามันจะมองเห็นเป็นธรรมดา ความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นปัญหาก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางหนึ่งของการปฏิบัติก็คือว่าเรามาดูว่าตัวเราเนี่ยปัญหาลดลงไหมถ้าปฏิบัติทําแล้วปัญหามันเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเราต้องมีการทําผิดตรงใดตรงหนึ่งละเพราะนิพพานนิพคาว่านิพพานเนี่ยหมายว่าหมดตัวหมดตนต้องไม่มีเราสิจึงจะเป็นนิพพานถ้ามันยิ่งเรายิ่ ง, ย, งยิ่งใหญ่ขึ้นมายิ่งแสดงออกมากรุนแรงอย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ต้องผิดทางแล้ว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเครื่องวัดแล้วส่วนประโยคที่สามนั้นน่ะพระเจ้าก็พูดถึงพระด้วยกันเยมาบรรทชิตเนี่ยถ้ายังทำร้ายสัตว์อื่นอยู่ฆ่าฟันสัตว์อื่นอยู่ทำร้ายสัตว์อื่นอยู่ไม่เรียกว่าสมณะสมณะต้องเป็นผู้สงบต้องสงบจากกิเลสไม่มุ่งร้ายใครไม่คิดทำร้ายใครมีแต่จิตที่มีเมตตาคนที่พ้นทุกข์แล้วจะต้องเป็นอย่างนั้น จะไม่มีคำว่ารังเกียจ ช, ชิงชังมีแต่คอยเวลาว่าเมื่อไหร่กรรมฝ่าไม่ดีของเขาก็จะหมดลงไปเมื่อไหร่บุญของเขาเกิดขึ้นเขาก็จะหันมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็จะพ้นไปจากกรรมไม่ดีทัง้งหลายชีวิตของเขาก็จะเริ่มเจริญก้าวหน้าขึ้นแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ก็สภาวะทางเดินของเขามันก็บอกแล้ว เพราะเขาทาไม่ดีอะ่ะเขาก็ต้องไปอาบายาภูมิกิยาการที่เขาแสดงออกคาพูดที่เขาแสดงออกการกระทําที่เขาแสดงออกมันบอกให้รู้ว่าเขาเนี่ยจะไปที่ไหนด้วยและจะให้ทํายังไงมันก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็ต้องไปตามก ร, รมของเขาก็ได้แต่สงสารว่าเออคนนี้อะ่ะเขาจะต้องไปอาบายาภูมิแนหะจะต้องไปตามเส้นทางของเขาแม้พระพุทธองค์ก็เห็นอย่างนี้ด้วยพระพองค์เห็นชัดเจนเลยรู้ด้วยยามด้วย คนนี้ทำกรรมอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้คนนี้ทํากรรมอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้เราไปจริงๆด้วยเนี่ยผู้เจ้ารับรองอย่างนั้นเลยเราสาวกนี่แค่มองดูเนี่ยเราก็เข้าใจบอ๋อบางทีเขาอยู่ในโลกเหมือนกับอยู่ในนรกทั้งเป็นเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะกรรมไม่ดีที่ตัวเองทําอันนี้เพราะนั้นคาถาแรกนี้เป็นคาถาที่ทรงปฏิสันฐานพ่อละหานด้วยกันเป็นธรรมะปฏิสันฐานว่าโอ้มันต้องมีความอดทนนะมีชีวิตอยู่ในโลกเราเนี่ยหดกันทุกคนก็รู้นี่เพราะมันเข้าหาจิตแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอบางทีมันอยากจะพูด แต่คุมได้เพราะสติท่านดีท่านควบคุมมาได้ก็ระวังคําพูดเขารับได้มากน้อยแค่ไหนพูดแล้วมีโทษหรือมีประโยชน์ขนาดไหนไม่ควรพูดก็หยุดเสียไม่พูดก็ได้คือมันไม่จะทําตามความอยากของตัวเองอะ่ะมันไม่ได้มีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทางปฏิบัตินี่ก็คือเพื่อละตัวตนนั่นเองพยายามไม่ให้มีตัวตนไม่ให้มีเราหรืออย่างเรามาเนี่ยถ้ากลับไปแล้วตัวตนมันมากขึ้นะว่าเราได้ไปอินเดียแล้ว ไปที่นั่นที่นี่แล้วมันไม่ละมันไม่ลดลงไปอะสติเราควบคุมจิตไม่ทันอยเงี้ยก็แสดงว่าการมาของเรามันก็ได้ผลน้อยเม <IS <Special ist in speech> ื่อพระองค์ปฏิสันฐานทรมาปสัณเรียบร้อยแล้วพระองค์ก <IS> ็พูดวางหลักวางหลักนี่เป็นแบบพื้นฐานแบบมาตรฐานของคำสอนของพระองค์ว่าใครจะไปสอนเนี่ยต้องสอนว่าสัพปปาภ า, าษาการนังกุสลาสู่ภาษาบดาสกิตาป ร, ริโยดาปะนอง เอตังบุธานาซาสนาต้องไม่ทําชั่วไม่ทําบาปสัมบปาปัสบบา ป, ปสา ป, ปสัสาก็คือบาปทั้งปวงต้องไม่ทําบาปทั้งปวงนี่หลักสําคัญเลยนะที่มันเป็นบาปเป็นโทษเป็นภัยจิตเราต่ําลงไปก็คือมันทําบาปอย่างน้อยก็เอาบาปห ย, ยาบๆไม่ทํำละ่ะเช่นศีลห้านี่เรารักษาแล้วก็ยังดีนะเนี่ยมันก็ทําให้สติสัมปันชญญาเราดีขึ้นมานี่เป็นศีลศีลนี่เกี่ยวข้องกับสติสัมปัสชญารักษากจิตด้วยไม่เอา ไม่ขบวยกับของคนอื่นที่เขาไม่ได้หา ย, ยไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่เสพจุลาเมีัยเครื่องดองของเมาทําให้ขาดสติอย่างน้อยก็มีเนี่ยป้องกนันในหยาบหยาบนี่เอไว้นี่ยคำสอนไม่ทําบาปทั้งปวงทีนี้ถ้าสติดีนี่มันจะทันหมดละมันจะค่อยๆละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแม้กระทั่งบาปที่มันอยู่ในจิตะบาปที่มันจะไปตําหนิคนอื่นไปว่าร้ายคนอื่นไปกันไปแกล้งคนอื่นโมโหคนอื่นโกรธคนอื่น น, น, นี่เป็นบาปหมดเลย ถ้ามันอยู่ที่ว่าจิตเราหยาบหรือจิตเราละเอียดถ้าหยาบเราก็ทันหยาบหยาบไปก่อนอย่างน้อยก็เออสินห้าไอ้สินห้านี่มันมันเป็นสินของคนทั่วไปแล้วสินของผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องเข้าไปหาจิตแล้วมันต้องเห็นจิตเห็นใจตัวเองแล้วนอนหลับสบายอยู่เราไม่ได้ทําผิดสินห้าเหมือนเรามีสินห้าแต่สินห้านี่เขาวัดเมื่อตอนที่มันเกิดเหตุการณ์อยู่ในระหว่างที่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราหยับอย่างจิตได้ไหม เราละเจตนาที่ไม่ดีได้ไหมเนี่ยศีลไปอาวัตอันตรงนั้นเลยนะมันจึงเป็นเรื่องของจิตใจมันจึงเกี่ยวกับสติสัมปชัญญะด้วยทําความดีให้ถึงพร้อมในทําความดีให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครทําความดีเนี่ยมันก็จะเป็นที่รักใครชอบพอเพราะว่าไอความดีเนี่ยมันมเป็นคนที่มีจใจกว้างขวางภูมิจิตของเขาก็บอกให้รู้ว่าถ้าเขาตายถ้าเขายังไม่ถึงนิพพานก็ต้องเป็นภูมิของเทวดาคนนี้ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเพราะก็มีจิตอาสามีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการเสียสละมีการช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดใจกว้างขวางใจไม่คับแคบไม่เข้ามาแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นไม่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองแบบแคบแคั น, นี่มองไปช่วยคนอื่นอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นภูมิจิตของเทวดาแต่ความดีที่สูงสุดน่มันต้องมีเป้าหมายเพื่อที่ชำระจิตให้เขารอดรือต้องสูงขึ้นไปตามลาดับหรือความดีขั้นต้นๆเพื่อก็เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะ เพื่อให้จิตมันดีซะก่อนสติรักษาจิตได้แล้วที่สําคัญที่พระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็คือว่าต้องชําระจิตให้เข่ารอบชําระจิตให้เข่ารอบก็คือจิตถึงพระนิพพานนั่นเองไอ้สมมติตรงนี้อะบางบางคนก็คิดว่ามันแค่สงบแล้วก็เข่ารอบแล้วจิตนิ่งแล้วไม่มีอะไรแล้วก็เข่ารอบไอ้เข่ารอบจริงๆเนี่ยมันต้องบริสุทธิ์เลยหลุดพ้นเลยถึงพระนิพพานเลยถ้าหากว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาโอวาทของพระองค์มาปฏิบัติ ไม่ทำบาปทั้งปวงต้องเด็ดขาดแล้วทากุศลให้ถึงพร้อมความดีให้ถึงพร้อมเท่านี้มันจะเป็นความดีที่ลึกซึ้งเข้าไปก็คือว่าสามารถละอกุศลได้ละอกุศลในจิตแล้วนะทีนี้ถ้ามันสูงขึ้นเนี่ยโมโหเกิดขึ้นเห็นมันมันยุบยอดลงไปมันเบาลงมันขาดไปดับไปอยากนู่นอยากนี่เกินความจําเป็นมากๆเราทนมันได้มองเห็นมันได้มันค่อยอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงแล้วก็ดับไป นี่มันละอากุศลภายในจิตเมื่อละอกุศลกุศลก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นฝ่ายกุศลก็คือฝ่ายสติฝ่ายสัมปชัญญะฝ่ายสมาธิฝ่ายปัญญาฝ่ายศรัทธาฝ่ายความเพียรพวกนี้เป็นฝ่ายกุศลหมดเลยพวกนี้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นความเพียรชอบเวลาพระเจ้าสอนนี่ก็หมายถึงว่าเนี่ยพยายามละบาปละอากุศลอกุศลใหม่อกุศลเก่าไม่เข้ามาถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นไม่เข้ามาถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรดูเหมืนเข้าไป เดียวมันจะค่อยๆดับลงไปเองไม่ต้องไปทําอะไรมันเพราะนั้นถ้าดูไม่ได้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจว่า อ, อันนี้มันมาจากไหนต้นเหตุมันมาจากไหนต้นตอนอย่างไรเราควรทํายังไงอันนี้มันก็ยากเพราะว่าเรายังไม่ละล้ในจิตยังไม่ได้เราก็ยังมาวางว่าเออมันมาจากไหนอ่ะไปขอโทษเขาดีไหมถ้ามันผิดใจเขามันก็ต้องมาแก้ไขไปตามลําดับขั้นตอนภายในจิตของเราเนี่ยว่าไอ้จิตของเรามันขนาดไหนถ้าหาว่าเราไม่ไปขอโทษเขานี่มันยังมันล้างไม่ออกอ่ะเรายังมีทุกข์อยู่ มันยังดิ้นหล่นอยู่จิตเราอ่ะถ้าคนจิตเข้มแข็งมีกําลังมันไม่เป็นไรอ่ะก็เอ้ยมันเกิดชั่วคราวเเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วถ้าเขายึดก็ยึดไปอ่ะหรือเราไม่ยึดเราก็ปล่อยอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไปเพราะไม่มีตัวเราไม่ใช่ของเรานี่มันก็ทําได้ถ้าเข้ามาในจิตเราเราเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรอ่ะทีนี้มันก็เป็นกรรมของเขาไปว่าเขาเนี่ยยังสะสมกรรมดีไม่มากพอที่จะละบาปละอกุศลเหล่านั้น หรือบางทีไปพูดไปขอโทษบางทีเรื่องบานปลายขึ้นมาเราก็ต้องหยุดเพาะว่าไม่มีปัญหาดีที่สุดเพราะฉะนั้นหลักธรรมของพระเจ้าจึงเป็นหลักที่จะต้องมาแก้ไขตัวเองมาพัฒนาตัวเองเริ่มโดยละบาปละอกุศลระวังบาประวังอกุศลไม่เข้ามาเข้ามาแล้วก็เพียรละก็คือดูไม่ทําตามมันไม่ตุ้งแต่งไปกับมันแล้วก็ทํากุศลนี่ฮะมันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเขาเรียกว่าภาวนาทําให้กุศลจเจริญขึ้น ก็คือให้ศีลสมาธิปัญญาเจริญขึ้นหรือสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เจริญขึ้นมันก็เห็นตัวเองไม่มีอะไรเลยที่ควรหลงยึดมั่นถือมันมาเป็นเราเป็น้องเราถ้าเห็นอย่างนี้ก็แสดงวัานั่นแหละมันถูกทางแล้วจนกระทั่งกุศลนี่มันไพ่บูรณ์ไพบูรณ์เต็มที่ก็คือถึงนิพพานกุศลมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นโลกรุตรกุศลจนถึงมันสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์ก็คือถึงนิพพานเลยพ้นทุกข์เลย เพราะนั้นหลักธรรมของผู้เจ้าบรรทัดฐานก็สามข้อ น, นี้สัพพะปาภาษา ก, กรลนังไม่ทําบาปทั้งปวงบาปตั้งแต่ห ย, ยาบหยาบละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่จะละบาปมันต้องมีสติมีสัมปชัญญะรักษาจิตของตัวเองได้อกุศล น, นี่มันก็จะยุบย่อลงไปกุศลมันก็จะเพิ่มขึ้นจเจริญขึ้นความดีหรือ ก, กุศลภายในจิตมันเป็นความดีที่สูงเป็นเป็นฝ่ายกุศลกุศล น, นี่ไหมว่ามันนําทําให้จิตเราจเจริญก้าวหน้าขึ้น มันจเจริญขึ้นแต่ถ้าบุญเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่พาให้เราเวียนว่ายตายเกิดในมรรสสงสารเกิดมาแล้ววิบากดีไปเกิดสวรรค์อะไรเงี้ยพูดสําหรับว่าเออเรายังไม่พ้นทุกข์นะอย่างน้อยชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นก็โอเคมันก็ยังได้มีโอกาสฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะตามคําสอนของงคพระเจ้าก็ได้แต่ถ้าเราพูดให้เต็มที่เต็มขีดเลยก็คือว่ากุศลที่สูงสุดเลยก็คือถึงพระนิพพานนี่เรียกว่าบริบูรณ์สมบูรณ์เลยส่งผลถึงพระนิพพานได้ พ้นทุกได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ขอการชำระจิตให้ขาวรอบเนี่ยก็คือถึงพระนิพพานทําไมถึงพระนิพพานแล้วจิตจึงขาวรอบเพราะมองดูจิตของตัวเองแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรเลยมันว่างเปลา่ามันสบายๆว่างเปลา่าเวิ ง, ว, งว่างาว่างเปล่าจิตมีก็เหมือนไม่มีมันไม่มีตัวตนอะไรเข้าไปรับะมันก็ไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทไม่มีจองเวรใครไม่มีความโลภไม่มีความหลงสบายๆ ถ้าจะพูดก็พูดเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไปอันไหนไม่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดเสียมันจะยับยั้งของมันเองมันจะหยุดของมันเองได้นี่คือสติพวกสัมปชัญญะอะไรฝึกจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นธรรมของมันเองเลยมันยับยั้งของมันเองเลยเพราฉันพ่อละันทั้งหลายนี่ทำชั่วไม่ได้อีกแล้วจิตมันทําไม่ได้แค่ทํำท่าจะนึกนี่มันก็ไม่ได้แล้วบางทีมันมีนะวิบากวิบากของขันนี่มันมีอยู่่ เราเคยสั่งสมกรรมไม่ดีเอาไว้เยอะๆบางทีมันโผล่ปึ๊บขึ้นมาเป็นกรรมที่ไม่ดีมันอุทานทันทีเลยนะนี่โอ้โหวิบากของเรายังเป็นได้ขนาดนี้เลยนะคือมันรู้ว่าเป็นวิบากมันไม่ใช่เราอ่ะมันเป็นสิ่งที่พฤติกรรมของจิตเรามันสั่งสมเพราะนั้นถ้าความคิดมันไม่ดีเกิดขึ้นอย่าไปกลัวมันนะนี่แหละเป็นวิบากเป็นผลของกรรมไม่ดีที่เราสั่งสมเอาไว้มันโผล่มาให้เราเห็นโดยเฉพาะในสมาธินี่ยิ่งโผล่ได้เร็วบางทีอ่ะอยู่เฉยๆบางทีปึ๊บ ขึ้นมาหรือเฉยๆเลยอันนี้เขาเรียกวิาวบากหรือกรรมในอดีตมันให้ผลเวลาจิตอยู่ในผวังอะ่ะมือจิตอยู่นิ่งๆหรือเฉยๆมันมักจะผู่หน้าผู่ตาขึ้นมนนาถ้าเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นวิบากเพราะนั้นจิตเราคิดไปดีเราก็ทําสบายๆอย๋อ ว, วิบากหรือเป็นอาการของจิตเนื่องจากจิตมันสั่งสมกรรมไม่ดีแบบนี้มามันก็มีมันเราก็จะง่ายขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ปล่อยไปวางไปทํสาสบายๆอันนี้เป็นคาถาบาตรที่สอง ทีนี้เวลาออกไปเกี่ยวข้องอันนี้สําคัญมากเนี่ยบทบาทของพระาราหันทั้งหลายหรือสาวกของพระเจ้าเวลาออกไปเกี่ยวข้องกับโลกชาวโลกทั้งหลายก็จะต้องมีธรรมประจําจิตใจอันนี้เราก็ต้องน้อมเข้ามาเหมือนกันเพราะมันเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอนุปรวาโดอนุปคาโตไม่พูดร้ายและก็ไม่ทําร้ายเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่มีสติดีด้วยต้องยับยั้งเลยดูซิไม่พูดร้ายถ้าออกมาเป็นคําพูดก็แสดงว่ายังหยาบเลยนะ พวผู้พิจารณาไปแล้ไม่พูดอะไรแล้วยิ่งไปลงไม้ลงมือกระทําลงไปโอ้ยิ่งหยาบใหญ่เลยนั่นเนี่ยเพราะนั้นอนุปวาโดอนูปคาโตปาติโมเขเจสังวโรให้สํารวมในพระปาติโมกสํารวมในพระปาติโมกก็หมายความว่านําเอาสี่ขาบททั้งหลายที่ผู้เจ้าประทานไว้ให้มาประพฤติปฏิบัติตามมัตตัญยุตาจะพัตตสมัมมิอันนี้สําคัญมากเรื่องเกี่ยวกับอาหารผลภาสิทธิของผู้เฒ้านี่ ไม่ว่าประทานเอาไว้เมื่อไหร่ก็จะมีเรื่องอาหารเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยต้องรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเพราะอาหารมันมีอิทธิพลต่อร่างกายเรามันเมาอาหารมันทาให้เกิดเวทนามึนงงมันเป็นปิ้ปสรษ์ต่อการปฏิบัติธรรมด้วยเพราะเรื่องอาหารเนี่ยต้องเอาพอมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าเราแค่มีชีวิตอยู่ได้แล้วแกนสารสาระของชีวิตก็คือได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือจิตเราเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายการไปเกี่ยวข้องเวลาบอกไปเผยแผ่คําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องให้ระวังไม่ไปพูดร้ายไม่ไปทําร้ายใครปารติโมเขจะสั้างบัลอันนี้ก็คือศีลนั่นเองอรู้จักสารวมในพระปาติโม ห, หมายว่าพระปาติโมนี่ก็คือสรุปก็คือว่าให้ปฏิบัติตามสิกขาบทน้อยใหญ่ ทั้งหลายที่ผู้เจ้าประทานเอาไว้อันไหนพระองค์บัญญัติไม่ให้ทําก็ไม่ทําอันไหนพระองค์ให้ทําก็พยายามทําแล้วไม่ให้ได้ประมาทเห็นว่ามันเล็กน้อยแล้วก็อุย้ยมันนิดเดียวไม่เป็นไรไม่ให้ประมาทอย่างนั้นให้น้อมนํามาปฏิบัติหมดแม้เล็กแม้น้อยก็ปฏิบัติให้หมดหน้าที่ของสาวกก็ต้องศึกษาให้มันสมกับฐานะของตัวเองปาฏิโมกข์เขจะสังมารูเนี่ยหมายว่าถ้าเป็นฆราวาสละ่ะก็ศีลห้าเป็นพื้นฐานจะใครอยากลองศีลแปก็ได้ ชิ้นปดนี่มันถ้าเราได้ลองมันก็ทําให้เข้มแข็งขึ้นเพราะอะไรก็ได้ที่มันมันได้ต่อสู้กับตัวเองเนี่ยมันทําให้จิตเรามีกําลังคนไหนจิตมีกําลังมันจะสงบง่ายเป็นสมาธิง่ายละอารมณ์ได้เร็วอารมณ์ที่มากระทบบรรลัตได้เร็วๆถ้าช่วงไหนที่เราละอารมณ์ไม่ค่อยได้นั่นแสดงว่าเราอ่อนแอเราคล้อยตามอารมณ์ทั้งหลายกิเลสเริ่มครอบงําจิตเราแล้วนี่เป็นเครื่องพิสูจน์เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตด้วยถ้าหาว่าเราเริ่มย่อหย่อนขึ้นมาปั๊บจิตเราจะอ่อนกําลังพอ่อนกําลังสมาธิจะไม่ค่อยตั้งมัน สมาธิไม่ค่อยเกิดนั่งก็ง่วงเซึมหลับนอกจากว่าร่างกายมันอ่อนเพลียมันมีโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นเราก็ต้องกระตุ้นจิตให้เรามีกำลังเนื้อตามาก็ต้องต่อสู้กับตัวเองเหมือนกันไม่ได้เราเป็นที่พึ่งของคนอื่นไม่ได้เราอ่อนแอไม่ได้ก็คือกระตุ้นให้มันเข้มแข็งวิธีไหนที่จะทําให้จิตเราดีขึ้นก็เอาเรามาเพื่ออะไรในเมื่อจิตเรามีกุศลมีความดีเราก็ประกาศออกไปได้นี่มาช่วยพุทศาสนาเพื่อแพ่พุทศาสนาน ะ, ะ, าะ น, ะนำคาสอนของพระพุทธองค์เข้าสู่จิตใจมหาชนนะ อันนี้เป็นประโยชน์ต่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพลังมันก็กลับขึ้นมาวิธีที่จะให้ชีวิตเราจิตใจของเรามีกําลังก็คือกุศลนี่เองถ้ากุศลมันเต็มที่พลังมันก็เต็มที่เราก็โอ้เราก็รู้รับรู้ได้เพราะความดีนี่เองนะความดีสูงสุดก็คือความบริสุทธิ์หลุดพ้นนี่เองนะเมื่อหลุดพ้นแล้วเราก็ทําประโยชน์อันยิ่งใหญ่เท่าที่กําลังของเราจะทําได้ก็คือช่วยพระศาสนานี่เองนะก็เลยมองเห็นว่าโอแม้เราพ้นแล้ว มันก็ยังทําความดีได้แล้วเราก็สามารถเลือกเอาความดีที่เราถนัดความดีที่เหมาะสมแก่เราบางคนก็อาจจะช่วยพุทศาสนาแบบอื่นช่วยกันด่านนั้นด้านนี้มันไม่จําเป็นจะต้องมานั่งแสดงธรรมองค์เดียวแม้สมัยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันมีสัมมาเนนองหนึ่งท่านบรรลุปเป็นพรหานแล้วนิ้วของท่านนี่มีแสงสว่างเกิดขึ้นเวลาท่านชี้ออกไปมันจะมีเหมือนไฟฉายกลางคืนมาเนี่ยมันจะเป็นไฟฉาย เกิดขึ้นด้วยอํานาจบุญของท่านที่เคยทํามานี่เรียกุญญาณิิตอ่ะไม่ต้องไปอยากมีฤทธิ์มีเดชอะไรหรอกถ้าบุญเรามีมันจะเกิดขึ้น ข, นของมันท่านก่อนเลยลำพึงขึ้นมาว่าเออเราเนี่ยได้บรรลุเป็นพลหารตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่เลยนะตามปกติผู้ที่เป็นพลหารแล้วเนี่ยก็น่าจะมีกิจอะไรที่พอจะช่วยพระศาสนาได้บ้างตัวเรายังเด็กยังเล็กมีอะไรนะบรรลุธรรมตั้งแต่เด็กๆ เ, เนี่ยเราจะมีอะไรพอช่วยพระศาสนาบ้าง ก็รู้ถึงความถนัดของตัวเองว่าเออเราเนี่จะเป็นผู้แจกเสนาสนะสมมติว่าพามากลางค่ำกลางคืนเราก็จะพาไปยังที่พักได้ง่ายแค่นิ้วชี้ใบมันก็เป็นไฟฉายแล้วสมัยนั้นมันไม่มีไฟฉายนี่ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจา้าว่าท่านเนี่ยปรารถนาที่จะช่วยพระาศาสนาด้วยการเป็นคนแจกสถานที่ที่พักเองค์พระเจ้าก็สาธุมอบหมายให้ท่านเพราะนั้นในในช่วงที่ท่านอยู่เนี่ย ก็จะมีพระมาะกาบผู้เจ้าบ่อยมากเพราะเขาอยากเห็นแสงแสงที่ออกจากมือนั้นจากนิ้วนั้นเดินไปก็อยากมาดูใครก็อยากมาดูคือยิ่งพวกฤทธิ์พวกเดชอะไรดูแล้วก็อย่างนั้นนะ่ะนะก็แค่ได้ดูไงดูแล้วก็จบแต่ไอ้ทุกข์มันยังอยู่อ่ะไอ้ทุกข์มันยังอยู่เนี่ยอันอื่นอะไรก็ตามนะ้มันมันไม่ได้ช่วยอะไรเราได้เลยอะ่ะก็เห็นว่านิ้วมีแสงก็มันก็แค่นั้นแค่ได้เห็นน่ะแล้วทุกข์ที่อยู่ในจิตเราล่ะมันดับไหมมันไม่ลดลงไปเลยอะ่ะ ต้องให้เป็นเทวดาเป็นพรหมมีฤทธิ์มีเดชหอเหินเดินอากาศได้ ล, ล่องหนหายตัวได้สแสดงปาฏิหาริย์ได้ร้อยพันประการก็ตามถ้าจิตยังมีทุกข์อยู่โอะโห้มันไม่ได้ประเสริฐอะไรเลยก็เขายังมีทุกข์อยู่เลยทุกข์เพราะมันมีอัตตาทุกข์เพราะมีตัวตนนี่คาสอนของพระเจ้าหนึ่งชี้ลงตรงที่ว่าทํายังไงจิตของเราหมดสิ้นอาสวะกิเลสเนี้ยหมดทุกข์เนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปฏิบัติตามําดับ แม้ออกไปเกี่ยวข้องกับใครก็ไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายรักษาศีลสํารวมในพระปาติโมกแต่สิขาบทน้อยใหญ่ทิวเจ้าทรงสอนทรงแสดงเอาไว้ก็เอามาปฏิบัติแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเพราะชีวิตของเราเนี่มันก็เดินทางไปสู่ความตายอยู่แล้วเราจะมาหลงกับอาหารรับประทานเข้าไปแล้วอาลิตอร่อยขนาดไหนก็ตามพอมันกืนปุ๊บเข้าไปมันจะหายทันทีเลยนะตั้งท่าสังเกตมันเลยทีนี้ ดูซิรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติมันเกิดได้ยังไงระบบประสาทในลิ้นมันมีมันจะรับรู้รสได้เราเอาหูไปถูใส่อาหารมันจะไม่รู้รสเอาตาไปสีใส่อาหารก็จะไม่รู้รสเอาแขนไปจับอาหารขนาดไหนไม่รู้รสแต่ลิ้นมันจะรู้รสโอชารสในอาหารกระทบลิ้นปั๊บมันจะเกิดธรรมชาติอันหนึ่งขึ้นถ้ามันพอดีกับลิ้นปั๊บมันจะอร่อยมันพอดีกันนะมันจึงอร่อยถ้ามันไม่พอดีปั๊บมันจะไม่อร่อย เราจะรู้สึกคือมาได้ขาดนิดนึงไม่พอดีเลยนี่คือมันไม่พอดีไม่พอดีมันเลยอร่อยมันพอดีมันอร่อยมันไม่พอดีมันไม่อร่อยก็แค่นี้น่ะพอคืนลงไปแล้วหายเงียบเลยตื่นเช้ามาก็ต้องมีทาระแก เ, เรแล้วะ้าระเอามากๆนะีมันเนี่ยมันจะเป็นเหตุทำให้มีเวทนาใหม่เวทนาเก่าคือความหิวดับไปแต่เวทนาใหม่คือความอึดอัดขัดข้่องเมาอาหารสติไม่ค่อยดีแล้วทีนี้ แล้วก็ทําให้ขี้เกียจที่คลานด้วยมันก็จะทําให้เราเสียเวลาปฏิบัติธรรมมีเรื่องอาหารนี่สําคัญมัตตัญยุตาตาเจพัทปสันิง่งปันตัญจะสยานาสนังอันนี้การหลีกเล้นการที่พยายามที่จะไม่คุครีอยู่ในที่สงัดอะรั่วมากันเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็เลี่ยงๆไปถ้านั่งก็นั่งภาวนาของเราไปอยู่กับตัวเราก็ได้คนเยอะๆก็เราไม่ไปเจาะแจ๊ มันก็ไม่เป็นไรเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วทุกคนที่มาเนี่ยก็มุ่งมาที่จะแสดงธรรมะหรือว่ามีการพูดคุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมค อ, อเราก็มีสติรู้อยู่รู้อยู่ถ้าหมดหมดความจําเป็นแล้วเราก็จะถอยออกมาเงียบคือเรียกว่าหาที่สังัดในจิตเราถ้านั่งคนเยอะเขาคุยกันอยู่เราก็หันหลังแล้วก็เข้ามาดูจิตของเราข้างในไม่จำเป็นต้องไปว่าใครไปสอนใครไปตำหนิใคร ถ้ไม่สนิทจริงๆไปสอนกันไม่ได้ถ้าไม่เขาไม่ยอมรับไปสอนไม่ได้แล้วเราก็ต้องเนี่ยพระเจ้าก็แค่มาสอนเราทั้งหมดที่พูดมานี่เพื่อสอนตัวเองหมดและแล้วสอนลงที่จิตแม้เกี่ยวข้องก็ต้องเกี่ยวข้องให้มันไม่มีเป็นพิษภัยต่อจิตทําให้ไม่มีทุกข์ภายในจิตเพราะนั้นต้องรู้จักวิธีที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมันมีความสงบสงัดอยู่ภายใ น, นยรู้จักหดีกเล่นลีกเกาอาธิจิตตัวเอจะอาโยโคก็คือทําสติสมาธิเนี่ยให้จิตตั้งมัน่นอธิจิตเตนี่หมายว่าจิตตั้งมัน่น ตั้งม่ใน้จิตต้องมีกําลังนะถ้าสมาธิที่มันเข้าไปแล้วมันมันลึกลงไปอะ่ะลึกลงไปมันจะง่วงจะซึมที่นี่ความซึมจะครอบเมือมงจิตพอเราปล่อยให้มันถลําเข้าไปต้องไม่ถลําต้องให้จิตเป็นตัวตื่นตัวรู้รู้อยู่ตลอดรู้แล้วมันจะเห็นภาวะที่สิ่งที่มันถูกรู้นั่นอะมันจะสลายไปหรือในขณะที่มันดูอยู่เนี่ยตัวจิตเป็นตัวดูไอ้สิ่งอื่นจะเป็นสิ่งถูกดูจิตจะสะสมปัญญายาเกิดขึ้นว่าเออไม่ใช่เรานะ ไม่ใช่ของเรานะตรงละอุปทานทั้งหมดมันเคยกลัวเคยกังวลเคยหวั่นไหวทิ้งหมดเลยอันนี้เป็นอุปทานซ้อนขึ้นมาในจิตของเรากลัวบ้างกังวลบ้างหวั่นไหวบ้างถ้ามันเคยเป็นมาเพราะล้ําหน้าความหลงของเราเข้าใจผิดของเราแต่ที่แรกนั่นแหละมันก็หลงมามันก็ไปยึดพอไปยึดแล้วมันก็กลัวไม่หายกลัวไม่ดับอยากให้มันดับหรือบางทีก็เชื่อว่ามันต้องดับแต่พอทําไปนานๆมันยังไม่ดับที่นี่เพราะมันยึดมานานเราต้องใช้ความเพียรมากขึ้น เพื่อจะงห้ให้มันปล่อยวางได้แต่เราเนี่ยรีบร้อนอยากให้มันดับเร็วๆก็เกิดความกลัวความกังวลขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะใจที่อยากให้มันดับมันก็เลยสร้างปัญหาขึ้นมานี่แหละความอยากตรงนี้แหละเป็นเหตุเป็นต้นตอของปัญหาในการปฏิบัติธรรมด้วยคืออยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ยิ่งอย่างมีฤทธิ์มีเดชมันยิ่งไปกันใหญ่เลยอะ่ะเพราะอุปทานมันซ้อนซ้อนขึ้นมา อยากเห็นหนูน่นเห็นนี่อยากได้นั่นได้นี่อยากมีอภิน ญ, ญาอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจา้าพพุทธเจ้ต้อง ท, ทิ้งสิ่งเหล่านี้หมดเลยไม่เอาอะไรเลยสุดท้ายคือไม่เอาอะไรเลยให้เห็นแค่ความจริงว่าทุกสรรพสิ่งที่มันโผล่มาเนี่ยเกิดแล้วต้องดับถ้ามันยังไม่ดับก็ถามมันเลยว่าดับอย่าดับนะท้ามันก็ได้อย่าดับนะ น, บนะนี่หมายว่าจิตเราอดถามจิตเราเข้มแข็งจิตเราไม่กลัวกับมันถา้าไปกลัวกับมันกังวลกับมันเนี่ยมันก็สร้างอุปท า, านขึ้นมาแล้วเรื่องราวต่างๆก็ไปจา ก, กจิตเรานี้แหละ เพราะไม่ว่าอะไรบูบ้าบเข้ามาเฉยเลยมีเครื่องทดสอบมันจะเจ็บจะปวดเฉยเลยก็สักแต่ว่าเจ็บสักแต่ว่าปวดแน่นขึ้นมาจุกจุขึ้นมาเหมือนใจจะขาดเอาเลยช่างมันเราดูซิมันจะเป็นยังไงต้องกล้าหานด้วยดูซิจะเป็นยังไงจิตทิ้งจะมีกําลังที่ทิ้งจะปล่อยวางได้เราถึงจะเห็นความจริงว่าอุย้ยจริงๆไม่ใช่เรามันเป็นของมันเองมันเป็นยังไงเราจะรู้เลยมันเหมือนจะเป็นจะตายแต่ว่าจริงๆไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันหลอกเราเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันหลอกเรา ก็เอาหลักคําของพระพุทธเจ้านี่แหละเข้ามาเดีนะ๋เพราะฉนั้นสรุปแล้วโอวาทปาปิโมกก็เริ่มตั้งแต่ฐาบทแรกคัมภีร์มังตะโปติฆะนิพพานังบาลมังวัดัมตีพุท ธ, ธานาหีปภะชิตโตปา ร, รูปปาาติสัมนโนโหติประรังเหเทยมโตคันตีความหมดกันเป็นตบาอย่างยิ่งนิพพานเป็นความสุขความเย็นเป็นธรรมะอันยอดเยี่ยมผู้รู้ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องกล่าวอย่างนี้ ถ้ายังทำร้ายสัตว์อื่นอยู่ค่าสัตว์อื่นอยู่เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าสมณะเพราะสมณะต้องเป็นผู้สงบจากกิเล็ควันทางของการปฏิบัติต้องสงบเข้ามาที่จิตที่ใจสํารวมระวังกายวาจาใจของตัวเองนี่มันจึงปฏิบัติตัวเองทั้งหมดเลยจากนั้นธรรมะที่เป็นบรรทัดฐานที่เรามาฝึกตัวเองได้ก็คือไม่ทําบาป ท, ทั้งปวกตั้งแต่ห ย, ยาบหยาบจนละเอียดเข้าไปหาจิตทํากุศลให้ถึงพร้อมกุสศลสู้ประสมปรดาถ้าขอความดีพูดถึงความดีมันอาจจะเดี๋ยวมันจะเป็น พื้นๆเกินไปถ้ากุศลให้ถึงพร้อมนี่มันหมายถึงต้งศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรแล้วก็ชำํำรจินให้เขาหลอกก็คือปฏิบัติจิตของเรานี่แหละมีสติรักษาจิตเอาไว้อะไรเกิดขึ้นพยายามไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรโผลมาไม่ยินดีไม่ร้ายเดียวมันก็จะดับไปถ้าเกี่ยวข้องกันก็คือไม่ว่าร้ายไม่ทําร้ายแล้วก็สํารวมในพระปาติโมคคือมีศีลนะมีศีลศีลหศีลแปดศีลสิบ ศินสองี่สิบแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเราลองดูก็ได้เอาพอประมาณเนี่ยจะเบาที่สุดเลยสบายที่สุดเลยจะชันก็ต้องดูสภาพร่างกายของเราว่มามันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมไหมเป็นอุปสรรคต่อสุขภาพพลานามัยเราไหมต้องให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็อยู่ในที่สงบสงัดคือเอาจิตของเราเข้ามาอยู่กับตัวเองแล้อว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ตามพยายามอยู่กับตัวเอง ในสมัยพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่ใ น, นจําไม่ได้แล้วก็มีพระพุทธเจ้าลุ่นหรือไงเนี่ยนั่งนั่งเข้านิโรธสมาบัติแล้วมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะ่ะคล้ายๆมีฟ้าผ่าอะไรต่ออะไรลงมาเนี่ย น, น, นะอะไรแบบเนี้หรือว่ามีเกวียนผ่านไปแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่เหมือนกับว่าอยู่ในนิโรธสมาบัติทีนี้ก็มีใครพระองค์หนึ่งก็มาพูดบอกว่าเนี่ย คนนั้นเนะ่ยเขาเข้าสมาธิอะไรเกิดขึ้นเขาไม่ได้รับรู้เลยคนผ่านไปผ่านมาขณะใดเกวียนผ่านไปนี่ฝุ่นเกาะตามตัวเขาไม่รู้เลยผู้เจ้าก็บอกว่าถ้าเทียบกับพระองค์แล้วนี่อันนั้นนะจิตใจตอนที่พระองค์เข้านิโรธสมาบัติอะไรฟ้าผ่าลงพระองค์ก็เฉยเลยอันนี้คือสมาธิชั้นลึกอะ่ะเราก็เอามาเป็นอุทาหรณ์เฉยเยว่าคุมจิตเราไว้ถ้าคุมจิตไว้ได้อะไรจะเกิดก็เกิดไป ไ, ไปเลือกข้างนอกไปหมดจิตเราไม่ส่งสารออกไปยิ่งถ้าเรามีสติรู้จิตเราอยู่อะ่ะ มันจะเห็นอาการของจิตเลยนะขยับตึบมันจะเห็นอาการของมันเลยคุมจิตได้แต่ถ้าเราไม่สำรวมมันไม่เห็นนะมันจะเป็นเราไปหมดเลยอยากพูดก็พูดไปอยากทำอะไรก็ทำไปอยากดา่าอยากว่าใครก็ว่าไปนี่มันก็เลยมีเหตุมีเรื่องมีราวมากมายเพราะจิตมันไม่สงบคุมจิตไม่อยู่ถ้าคุมจิตอยู่มันจะรู้เลยว่าเอ้ยจิตเราเนี่ยมันขยับ มันอยากพูดเราก็ไม่พูดถ้าไม่ควรพูดมันอยากทําเราก็ไม่ทําเพราะมันไม่ควรทําเราสามารถรู้ไปข้างหน้าว่าทําแล้วมันจะเกิดโทษขนาดไหนยังไงเกิดความไม่สบายใจยังไงมันยับยั้งไม่ได้หมดอันนี้เป็นเครื่องมือฝึกเราก็ต้องฝึกจิตเรามันจะทําให้การเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเนี่ยปัญหาลดลงไปทันทีเลยแล้วยิ่งเรามารู้เรื่องกรรมว่าโอ้โหแต่ละคนมันมาตามกรรมไปตามกรรมจริงๆเลยนะ แล้วกรรมแต่ละคนมาไม่เหมือนกันะนะบางคนก็กรรมมันก็ยังรุนแรงอยู่มันก็ให้ผละนะบางคนกรรมมันเบาบางแล้วก็ให้ผลเนี่ยมันก็เลยเข้าใจคนอื่นไปอ๋อวิบากกรรมของแต่ละคนเป็นอย่างนี้เองมาตามกรรมไปตามกรรมจริงๆเลยจะผิดจะพลาดจะอะไรก็เอาให้เอภาัายให้อโอ้หสิกรรมไปอย่างเงี้ย มันก็เป็นกรรมดีของเราที่เราไปเข้าใจคนอื่นเป็นสติเป็นปัญญาของเราเข้ามาควบคุมจิตเข้ามายับยั้งที่จิตแล้วสุดท้ายจะให้เราภาวนาบูชานะบูชาพระพุทธเจ้าบูชาสาวกของพระองคอันนี้มันเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมีการแสดงโอวาทปาติโมกในวันเพ็ญเดือนสามอย่างนี้แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แหละ เหมือนกันเลยนี่คือความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราน้อมจิตเราบูชาชําระจิตเราบูชาเอาเตรียมตัวนะเตรียมตัวลักเอากายเราเอ า, เอาจิตเรานะยกจิตเรานี่หระขึ้นมาแล้วก็ถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยนะทั้งหมดสิ่งที่เป็นเราเนี่ยกายกับใจเราเนี่ ถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชาเราได้ยินได้ฟังโอวาทปาติโมกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นมีทุกพระองค์จะต้องเหมือนกันหมดเพราะฉะเราฟังตรงนี้ก็คือเท่ากับว่าได้ฟังธรรมโอวาทปาติโมกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระองค์ไม่ได้แสดงให้เราฟังด้วยพระองค์เองแต่ว่าก็นำเอา พาสิบของเหั่านั้นมาถ่ายทอดกันให้ได้ยินได้ฟังเพราะนั้นเราเอาใจของเราเอาการเราปฏิบัติบูบชาก่อนในเมื่อคำสอนของพุทเเี้าสูงสุดเลยก็คือไม่มีเหลา่าเราก็ลองทิ้งเลยลองทันทีเลยไม่ต้องไปกลัวว่าทาไม่ได้ได้ไม่ได้มันอีกเรื่องหนึ่งกายนี่เหรอของตายไม่ใช่เราเด็ดขาดวางเฉยเลยเอาจิตมองดูเฉยๆสัมผัส ด, ดูเฉยๆ แล้วก็เห็นอยู่เฉพาะหน้าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแล้วก็ไอ้ที่ก้อนที่นั่งอยู่ตรงหน้านี้ก็ของเกิดตายหรือว่าดูลมก็เหมือนกันลมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนกายได้มันก็จะแสดงภาวะอันหนึ่งว่าไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะดูอย่างอื่นก็เหมือนกันดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังอะไรก็คือเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย มันก็จะแสดงปรากฏการ์เหมือนกันว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะทะลุไปถึงกันเลยหรือบางทีเวทนาเวทนามันเกิดขึ้นเพราะก็คืออาศัยกายเกิดเราก็จับดูเวทนาว่าเนี่ยร่างกายไม่ใช่ของเราอยู่แล้วมันอาศัยกายเกิดขึ้นมันเป็นเราไม่ได้หรือมันเพิ่งเกิดมันเกิดตอนเรานั่งนานนี้เองมันเจ็บมันปวดมากก็เอาคุมจิตไว้เอามันมาเป็นเครื่องมือฝึกจิต ไม่ให้จิตไปยินดียินลายยิ่งรัดสั้นเลยะเหมือนเหมือนกับมีอุปกรณ์อยู่ตรงหน้าเลยเพราะถ้ามันดีมันสงบมันเยือกเย็นลาจะพอใจก็ได้พอใจถ้าเรารู้ทันก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยมันก็จะเสียเวลาแต่ถ้ามันเจ็บมันปวดมันไม่เอาอยู่แล้วะแต่ว่าถ้าอยากให้มันหายก็เอาอีกแหละมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ดูเฉยๆเลยดูเฉยๆเลยไม่ว่าสุขวัตทุกดูเฉยๆให้เห็นว่ามันแค่ธรรมชาติอันหนึ่ง มันเกิดเองแล้วก็ต้องดับไปเองด้วยเราไม่ต้องไปทําอะไรเหมือนดูเฉยๆเอาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเราจิตไม่ว่ามันจะคิดจะนึกจะปรุงอะไรขึ้นมามีไหมที่มันไม่ดับเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกต่างๆเรียกว่าเวทนาทางจิตก็ดับเหมือนกันสัญญาโผมาก็ดับเหมือนกันสังขารที่ปรุงขึ้นมามันก็ดับเหมือนกันตรงนี้มันอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับไม่มีตัวตนจริงหรอก แต่เวลามันเกิดเราสติเราปัญญาเราไม่พอเราจึงหลงว่ามันเป็นเราเพราะฉนั้นเราก็พยายามที่จะไม่ให้หลงไม่ให้หลงก็คือดูฝึกดูฝึก ด, กดูพัฒนาตัวดูให้มันสูงขึ้นให้มันรู้วิธีปล่อยรู้วางแล้วก็ให้มันเห็นว่า น, นี่ไม่ใช่เราจริงไม่ใช่ของเราจริงแล้วมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ เ, เองมันว่างก็รู้ว่างเราก็ดูอยู่ความว่างมันจะเป็นเราได้ยังไงก็นี่เมื่อเราดูอยู่ มันนิ่งก็รู้มันนิ่งมันเฉยรู้มันเฉยก็ได้มันเจ็บรู้เจ็บปวดรู้ปวดแต่เราไม่เข้าไปบุงแต่งมันไม่เข้าไปแทรกแซงมันปล่อยเลยนี่เรียกว่าบูชาสูงสุดเลยสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าเป็นธรรมเป็นธรรมก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเองแล้วกระดับไปเองเราทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรอะ่ะเราถือว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดละเราทาด้วยความเคารพ ว่าผู้เจ้าสอนไม่ให้มีตัวตนถึงนิพพานก็คือไม่มีตัวตนเป็นธรรมะยอดเยี่ยมก็คือเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราเราก็ทำเอาไว้ก่อนเลยลองวางดูเลยทําตามเลยมีเหรอไม่ใช่เราหรอกที่นั่งอยู่นี่เป็นเฉพาะร่างกายธาตุดินน้ําลมไฟประกอบกันขึ้นมาสุดท้ายต้องตายแน่ๆคำตอบตายแน่ๆปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแม้ในขณะปฏิบัติอยู่นี้ มันก็ผ่านมาผ่านไปเหมือนกันผ่านมาผ่านไปเหมือนกันมีธนาเจ็บปวดขนาดไหนถ้าลุกปั๊บไปมันก็หายแล้วถ้าขยับปุ๊บไปเนี่ยมันก็เบาลงแล้วหรือหายไปแล้วไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นดูวริยสัต4ีก็ดูให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์ให้กําหนดรู้กําหนดรู้คืออะไรโผล่มาให้รู้ถ้ารู้แล้วเห็นว่ามันเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดื้อตั้งอยูดับไปนี่เห็นทุกข์ทุกข์ไม่ว่าไม่มีตัวตนไม่มีสาระไม่มีแก่นสาร มันทุกกายก็ตามบีบคั้นขนาดไหนก็ตามจิตเราปล่อยได้วางได้เรียงมันดูทุกชัดเจนแจ่มแจ้งนีอทางจิตก็เหมือนกันเห็นมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันมันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนี่ก็คือไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราก็ดูเฉยเฉยนี่แหละเรียว่าบูชาสูงที่สุดก็คือ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชามันหมายถึงชีวิตเราเลยอ่ะปรากฏการที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเลยเห็นรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ก็ใช่เราเห็นอ น, นิจจังเห็นมันเสื่อมสิ้นสลายไปนี่ก็เห็นทุกขังเห็นว่ามันอยู่ของมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราบังคับบัญชามันไม่ได้ก็เห็นอนัตตาจิตเราก็วางเฉยกับสิ่งเหล่านี้ได้ อย่างนี้ต่างนั้นก็ตั้งใจอยู่ที่บุญนะอย่าเราบอกแล้วว่าเราเสร็จจากการปฏิบัติธรรมเราก็จะเอาที่บุญให้เนี่ยใครอยากอาที่บุญไปทางไหนเพิ่มเติมเราก็ให้ถ้าใครมุ่งต่อพันิพาลต้องไม่ปัติธนาอะไรเลยแต่ถ้าใครยังลำบากอยู่ให้บุญให้บุญไปแล้วก็ให้มาช่วยอันนี้คือคนที่ยังต้องการปรับสมดุลชีวิตในปัจจุบันหรือว่าการเวียนไหวไตเกิดแต่สําหรับคนที่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนิพานอย่างเดียวเลย ไม่ปาถนาอะไรอีกแล้วนอกจากนีพ้พาตรงไปเลยอันนี้ก็เร็วหน่อยไม่เนิ่นช้า